จิตที่เริ่มสงบลงจริงไม่ใช่จิตที่ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านแต่เป็นจิตที่ถอยห่างออกมาจากเหตุให้ฟุ้งซ่านด้วยการค่อยๆเห็นความไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมของความฟุ้งซ่านในแต่ละระลอกลมหายใจธรรมชาติของความไม่รู้และความเข้าใจผิดจะสั่งให้คุณบังคับตัวเองว่าจงหยุดฟุ้งซ่านจงเก่งจงเจ๋ง จงแนวนิ่งอยู่กับความสงบหารู้ไม่ว่าทิ่แท้การบังคับตัวเองทั้งที่ไม่พร้อมคือการเพิ่มความฟุ้งซ่านไม่ใช่การลดความฟุ้งซ่านคือการทำให้จิตกระเพื่อมไหวไม่ใช่การทำให้จิตสงบคือการทำให้ตัวเองยิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ยิ่งเป็นสุขมารคมีองค์แปด ไม่ได้เริ่มขึ้นมาจากสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิท่านขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าหากว่าเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติในลำดับต่อๆมาไม่มีทางถูกได้เลยด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่ายิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งฝุ่งเท่านั้นแม้ความอยากนั้น จะหมายถึงความอยากสงบด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าไม่กระหายใกลอยากความฟุ้งจะเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดระดับลงเองด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแบบไม่หวังผล ลมหายใจต่อลมหายใจจะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิมด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าเมื่อเห็นความฟุ้งซ่านไม่เทียงไม่เท่าเดิมใจจะถอยออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่พุ่งเข้ายึดเอาความฟุ้งซ่านด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่า ตั้งต้นมุมมองไว้ถูกเสมอก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเสมอสงบเบาไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียว